มาเลยซึ่งมันตรงกับคที่เราใช้พุทธศาสนาว่ากุสโลบายกุลมออุบายคือมิสกิมีอุบายในฉลาดในการใช้วิธีการใช้อุบายแต่ไม่ได้แปลว่ากบายฉลาดไม่ใช่ใช้กบายมันกลายเป็นเจลเลยไปเลยใช่แต่นี่เราใช้เทคนิคใช้วิธีการทุกอย่าง